จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตต า, า, า, ากรุณาใจรุ่ใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราชส5งพเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาสร้างความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลาย นั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติธรรมดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงลแห่งธรรมก็คือความสุขที่เกิดจากการได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเช่นทำบุญให้ทานรักษาศีล ภาวนาที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงผู้ใดได้พบกับความสุขหรือของธรรมะหรือรสแห่งธรรมแล้วจะเบื่อกับความสุขแบบอื่นๆไปทั้งหมดเพราะว่าเปรียบเทียบกันแล้ว เป็นเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาหลังจากที่พระองค์ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมก็ทรงเกิดความเบื่อหน่ายกับรสของรูปเสียงเกลื่นรสต่างๆจึงได้สละราชสมบัติแล้วก็ทรงออกบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรม ให้ได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้พบกับรสแห่งธรรมอย่างเต็มที่จนในที่สุดหลังจากที่ทรงบำเพ็ญเพียนอยู่ประมาณเจ็ดหกปีด้วยกันก็ทรงได้พบกับรสแห่งธรรมที่เต็มที่คือที่เรียกว่าปรมังสุขขังคือรสของพระนิพพานนั่นเอง พระนิพพานนี้สงแั่ว่าเป็นบรมมสุนิบานังปรมังสุขขังนี่คือความสุขที่พวกเราทั้งหลายกำลังมาสร้างกันกำลังมาสะสมกันวละเล็กวละน้อยถ้าเราทำมากเราก็จะได้เร็วถ้าเราทำน้อยเราก็จะได้ช้าไม่ได้อยู่ที่เห็นอื่น อยู่ที่ความภาคเพียนของเราเหมือนเวลาที่เราตักน้ำใส่ตุ่ถ้าเราตักวันละขันมันก็ต้องใช้เวลาหลายวันด้วยกันถ้าเราตักวันลน้าสิขันร้อยขันบางทีวันเดียวหรือสองวันน้ำก็จะเต็มตุ่นได้เช่นเดียวกับผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มี การประพฤติปฏิบัติแตกต่างกันบางท่านก็สามารถพบกับความสุขได้เต็มร้อยเพียงในเวลาเวลาอันสั้นๆั้นไม่กี่วันบางท่านก็ใช้เวลาหลายเดือนบางท่านก็ใช้เวลาหลายปีด้วยกันเพราะมีความภาคเพลียนต่างกันนั่นเองพวกเราก็สามารถที่จะได้รับความสุข ที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้ถ้าเรามีความภาคเพียรที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ามาปฏิบัติและแล้วไม่นานเราก็จะได้พบกับความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขันธนี้อย่างแน่นอน เบื้องต้นต้องขยันศึกษาพราะธรรมคำสอนคือต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่ดูแผนที่เพื่อจะได้รู้ว่าทางที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นไปทางไหนบ้างถ้าเราไม่ศึกษาแผนที่ไว้ก่อนเวลาเราออกเดินทาง พอมาถึงทางแยกเราก็อาจจะเลี้ยวไปผิดทางก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกนั่นเองเช่นมาถึงสี่แยกก็มีทางเลือกอยู่สาทางจะไปทางซ้ายไปทางขวาหรือตรงไปถ้าไม่มีแผนที่ก็จะต้องเสี่ยงทาย ล, ลองผิดลองถูกคื ก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปได้ฉันั้การปฏิบัติเพื่อให้ได้พบกับรถแห่งธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันเราจำเป็นต้องรู้จักทางก่อนรู้ว่าทางที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางอันเลิศอันตรเสรนนี้อยู่ไปทางไหนนั่นเอง ถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ว่าทางที่พระเจ้าสอสนนี้มีชื่อว่ามรรคมรรคที่มีองค์8มรรคก็แปลว่าทาง8ก็คือมีส่วนประกอบอยู่แปประการด้วยกันคือ1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้อง 2. องสัมมา สังกัปโภคความคิดชอบหรือความคิดที่ถูกต้องสสัมมากรรมันโตการกระทำชอบหรือการกระทาที่ถูกต้องสสัมมาวาจา ก, การพูดที่ถูกต้องห้าสัมมาอาชีวมีอาชีพที่ถูกต้อง 6. สัมมาวายาโูมีความเพียรที่ถูกต้องเจ็ดสัมมาสติมีการตั้งสติตั้งความระลึกลู้ที่ถูกต้องและแปดสัมมาสมาธิการมีความตั้งมั่นของใจความสงบของใจที่ถูกต้องนี่คือ ทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะได้พบกับรสแห่งธรรมจะต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วก็จะไม่มีวันที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ทางที่เป็นมากแปดนี้บางครั้งพ่อองค์ก็ทรงแสดงเป็น สามคือทานศีลภาวนาหรือศิงสมาธิปัญญาขึ้นอยู่กับผู้ที่รับการศึกษาไปเพราะมีความแตกต่างกันในฐานะเหมือนกับนักเรียนถ้าสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมก็สอนอีกแบบหนึ่งถ้าสอนให้นักเรียนชั้นประถม ก็จะสอนอีกแบบหนึ่งแต่ก็เป็นทางอันเดียวกันเช่นมรรคปาฏิณีพุท อ, องค์ทรงสอนให้แก่พระภิกษุนักบวชส่วนถ้าสอนให้กับคลวาสญาบโยงพ้ อ, องค์ก็จะทรงสอนทานศีลภาวนาเพราะว่าคลวาสญาบโยงนี้ยังมีสมบัติเข้าของเหินทอง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญมักนั่นเองถ้าเปรียบเหมือนเรือก็ยังทอดสมอเรืออยู่ก่อนที่จะให้เรือวิ่งไปได้ยาเป็นจะต้องถอนสมอออกไปก่อนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเรือจะไม่สามารถเคลื่อนไหวไปได้ผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ยังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าอยากที่จะไปสัมผัสกับรถแห่งธรรก็จำเป็นจะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดกับเช่นนักบวชทั้งหลายท่านเหล่านี้ท่านได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหมดไปแล้วเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสอน เลยไม่ต้องสองเรื่องกากให้ทานเพราะไม่มีอะไรจะให้แล้วนักบวชมีสมบัติอยู่เพียง8ชิ้นเท่านั้นเองที่เรียกว่าอัถบริขานคือหนึ่งบาท1หนึ่งใบผ้าไตาจีรสามผืนรวมเป็นสที่ประกดเอวที่เรียกว่าเข็มขัดรวมเป็นห้าใบไม่โกน เป็นหเจ็ดเข็มกับได้และ8ที่กรองน้ำนี่คือสมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาทรงจัดว่ามีสมบัติเท่านี้ก็พอแล้วอยู่ได้แล้วเช่นมีบาทใบเดียวนี้ก็สามารถ มีอาหารรับประทานได้แล้วไปจนวันตายเวลาที่มีพระภิกษุบว์ใหม่พระองจะทรงสอนบุพกิจคือกิจที่พระภิกษุเพิ่งกระทำอยู่สี่ข้อด้วยกันคือข้อหนึ่งให้บิณฑบาตเลี้งชีพไปจนวันตายอย่าขี้เกียจเพราะการบิณฑบาตนี้เป็นการทำประโยชน์ ให้กับตนและกับผู้อื่นนั่นเองเป็นการโปรดสัตว์ไม่ได้เป็นการไปขอทานผู้ที่บินตะบานี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้ที่สมควรต่อการรับการให้ทานของผู้อื่นผู้อื่นที่ให้ทานก็จะได้รับอานิสงค์คือได้รับบุญได้รับกุศล อย่างเต็มที่การออกบิณฑบาตนี้จึงไม่ได้เป็นการขอทานแต่เป็นการไปโปรดสัตว์และโปรดตนเองด้วยโปรดสัตว์ก็คือให้ผู้ที่อยากจะได้ทำบุญได้มีโอกาสได้ทำบุญและผู้ที่บิณฑบาตก็จะได้กำจัดความเกียดครางที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการจเจริญในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงสั่งให้สอนในวันแรกเลยพอบวชแล้วก็ต้องสอนเรื่องการบินทบาทให้เลี้ยงบินทบาทเลี้ยงชีพไปจนลันตายป อ, องสระสงคตัว่าจะมีลาบหรือเฝืออย่ากเกียดครางเพราะความเกียดครางนี้ไม่ใช่เป็นธรรม จะไม่สามารถที่จะพาให้ผู้ที่บวชนี้บรรลุถึงเป้าหมายของตนได้เลยอนอกจากสอนในบุพภิษข์แล้วยังทรงสอนในทุดงกวัฏทุดงกวัร น, นี้เป็นข้อปฏิบัติพิเศษคือไม่ทรงบังคับเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ยากถ้าไม่มีความขันติอดทน ถ้าไม่มีความภาคเพียงถ้าไม่มีความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะได้บรรลุถึงผลได้อย่างรวดเร็วก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะึงไม่ได้กำหนดไว้ในธรรมในวินยัยในข้อวินยัยคือสีล227ข้อสีล227ข้อนี้เป็นข้อบังคับที่พระภิกษุทุกลูก จะต้องปฏิบัติธามไม่มียกเว้นรูปใดรูปหนึ่งแต่เรื่องข้อทุดมงขวัตนี้ส่งให้เป็นเรื่องของศรัท ธ, ธาของแต่ละท่านเหมือนกับผู้ที่อยากจะขับรถให้มีพลังมากก็สามารถเลือกเติมน้ำมันที่มีพลังมากได้เช่นน้ำมัน95้าอย่างนี้ แต่ผู้ที่ต้องการประหยัดทรัพย์ไม่รีบร้อนจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางก็อาจจะเติมน้ำบัน91ไปก็ไปได้เหมือนกันฉันใดผู้ที่ออกบวชปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอย่างรวดเร็วพระองก็สรงแนะนำว่าให้ถือชุดดงกัวรดที่มีอยู่13ข้อด้วยกัน จะจะถือข้อใดบ้างก็ได้จะถือทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความปรารถนาทุนดวงขวัตนี้ก็มีข้อหนึ่งก็คือเรียกว่าการออกบินทบาตให้บินทบาตเลี้ยงชีพถ้าไม่สามารถบินทบาตได้ก็จะอดอาหารไปแสดงว่าไม่ต้องการที่จะรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการกำจัดความเกลียดครางผู้ที่มีความเกลียดครางนี้มักจะอ้ามนู่นอ้างนี่เลยไม่ออกไปบินทบาลแล้วก็มานั่งฉันที่ศาลาพอได้รับอาหารแล้วแทนที่จะนั่งทำกิจนังที่พระรูปอื่นทำกันก็หนีออกไปข้างนอกกลับไปที่กุฏิกลับไปนอน รอรับประทานอาหารนี่เป็นลักษณะของคนที่มีความเกียดครา้างเห็นแก่ตัวไม่เคารพในธรรมวินัยไม่เคารพในกฎกติกาอันดีมาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรัญญัติไว้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่พระบวชใหม่ควรที่จะระมัดระวัง อย่าไปเห็นว่าเป็นการกระทำที่ดีการกระทำแบบนี้จะไม่ทำให้ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือจะไม่ได้รับสัมผัสกับรถแห่งทรรเพราะความเกลียดชังเพราะความติดในความสุขความสบายในทางลูกเสียงกลิ่นรสผู้ที่ยังติดกับ ความสุขในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสเช่นดูโทรทัศน์เป็นตัวอย่างมีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าปฏิบัติไปไม่ถึงไหนเลยเพราะยังติดดูโทรทัศน์อยู่แต่พอได้หยุดดูโทรทัศน์แล้วรู้สึกว่าการปฏิบัติจะคืบหน้าไปได้มากกว่าเดิมเพราะหนึ่งมีเวลาที่จะได้มาปฏิบัติ ได้มานั่งสมาธิสองจิตใจก็ไม่ต้องมาคอยติดตามละครต่างๆมาคอยวิตกกังวลกับเวลาที่จะดูละครสามารถที่จะปฏิบัตินั่งสมาธิไปได้ยาวเลยมีเวลาเพิ่มมากขึ้นดังนั้นถ้าต้องการที่จะ นับสัมผัสกับรถแห่งธรรมก็ขอให้ตัดความสุขต่างๆไปตัดความเกียด้ังไปแล้วก็ปฏิบัติอย่างเค้่งครับถือธุดงควัด ต, ต่างๆถ้าคิดว่าถือได้ก็ควรจะถือเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติอย่างมากเช่นการบินทบาตเป็นวัดนี้ก็ข้อหนอ ถ้าออกบินทบาทนี้ก็จะทำให้มีความขยันต้องตื่นแต่เช้ามืดต้องออกไปบินทบาทให้ทันเวลาถ้าไม่บินทบาตก็นอนสายได้รอเวลาเจ็ดโมงเจดมงคึ่นค่อยมานั่งที่ศาลาเพื่อมารับอาหารของญาติโยมที่มาทำบุญใส่บาตรไม่ต้องไปตื่นแต่เช้ามืด ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเหนื่อยกับการไปเดินบินทบาทรับอาหารแต่มันไม่ได้เป็นการที่จะเสริมสร้างความภาคเพียนมันจะไม่ช่วยส่งเสริมในการเจริญก้าวหน้าในในการปฏิบัติธรรมแต่จะเป็นการถ่วงไม่ให้สามารถปฏิบัติได้เพราะเมื่อมีความเกลียดค้างแล้ว ก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เวลาเดินจงกรมก็ไม่เดินเดินไม่ไหวเวลานั่งก็อยากจะนอนถ้าปฏิบัติด้วยความเกียจข้าแล้วปฏิบัติไปอีกร้อยพกร้อยชาติก็จะไม่มีวันที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมดังนั้นผู้ที่ปรารถนา ที่จะได้พบกับรถแห่งธรรมจึงจําเป็นจะต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนทางเช่นยึดแนวทางที่พระเจ้าทรงดําเนินและทรงสอนมาเช่นการบินตบาพระพุทธเจ้านี้ทรงถือการบินฑบาเป็นกิจสําคัญของพระองค์เป็นกิจเป็นหนึ่งในกิจห้ากิจ ด, ด้วยกันที่พระองค์ทรงปฏิบัติทุกวันตอนเช้าทรงออกบินตาบาก่อน นี่เป็นกิจข้อแรกข้อที่สองตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนญาตยู่ตอนข้างก็อบรมสั่งสอนภระคริสต์สัมมนเนงตอนดึกก็อบรมสั่งสอนเทวดาและตอนก่อนที่จะออกบินทบาศก็ทรงเล็งยามดูว่าจะไปโปรดไปสอนผู้ใดก่อนในวันนั้น นี่คือกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญตลอดเวลา 45,000 ษาด้วยกันหลังจากที่ได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสารพุทธเจ้าแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติกิจเช่นการบินทบาศมันก็ไม่มีผลเสียหายกับพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดเพราะพระองค์ได้ทรง ตักน้ำได้เต็มตุ่นแล้วถ้าตักเข้าไปอีกมันก็ล้นไม่เกิดมันก็จะไม่ได้น้ำมากกว่าไปกว่าเดิแต่ที่พระ อ, องค์ทรงทำกิจวัตร น, นี้ก็เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้แก่พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่มาบวชในพระพุทธศาสนาได้สังวรได้สัาเนียได้พยายามปฏิบัติตาม กูบาจารย์พระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างๆท่านก็ทำอย่างนี้ไม่ว่าท่านจะบรรลุถึงพระนิพพานแล้วหรื อ, อยังก็ตามท่านถือกิจวัตรของการบินสบาทและการทำกิจวัตรในศาลานี้เป็นกิจวัตรที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะการมาทำกิจร่วมกันในศาลาก็เป็นการเสริมสร้างความสามคัคคีปรองดอง ความพร้อมเพียงกันทั้งธรวาวะโยมและภิกษุเพราะพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างมั่นคงก็เพราะว่ามีความสามัคคีของพุทธบริสัทธ์สิแต่เวลาใดพุทธบริสัทธ์สเกิดความแตกสมต า, มตามัคคีต่างคนต่างทมตามใจชอบไม่ทาตามธรรมวินัยแล้ว เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่พระพุทธศาสนาจะต้องเสื่อมสลายหมดไปแต่ถ้าตราบใดยังมีความสามัคคีความพร้อมเพรียงในพุทธบอยศัตว์ศีในภิกษุสงฆ์ทับกิจร่วมกันพร้อมเพรียงกันทาช่วยเหลือกันไม่แยกตัวออกจากกันาศาสนาก็จะอยู่ เป็นที่พึ่งของพุทธบุตรสักไปได้แต่ถ้าเวลาใดพุทธบุตรสักโดยเฉพาะภิกษุสงฆ์เกิดความแตกแยกสามมิตรต่างคนต่างเอาความประโยชน์ส่วนตนเข้าว่าโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์สว่วนรวมไม่ไปไม่คำนึงถึงธรรมวีนัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบแล้วไม่คำนึงถึง ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สรงบงเพ็ญมายึดเป็นแนวทางปฏิบัติเวลานั้นก็แสดงว่ า, าศาสนาเริ่มเสื่อมลงไปแล้วและจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆถ้าไม่ต่อสู้กับการกระทำที่ไม่ดีเหล่านี้คือความเห็นแก่ตัวความเกลียดครางความไม่เคารพในธรรมวินยัย ความไม่ปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดีที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้ปฏิบัติมาอย่างในสมัยปัจจุบันบางท่านคงจะได้เคยศึกษาถึงประวัติของพระอาจารย์มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์ของพระอริยเจ้าทั้งหลายในปัจจุบันท่านก็ยึดหลักของการเบญทบาย ไปจนถึงวันตายเลยคือเวลาท่านชราภาพแล้วถ้าท่านไม่สามารถบินทบาดไปในหมู่บ้านได้ท่านก็จะเดินไปครึ่งทางเดินไปเท่าที่จะเดินได้ชาวบ้านรู้เขาก็มาดักสายบาตรกลางทางพอท่านเดินไปไม่ถึงออกไปนอกวัดไม่ได้ท่านก็ไปเดินไปที่หน้าวัดรับบาท พอเดินไปที่หน้าวัดรับบาตรไม่ได้ก็รับบาตรยืนนับบาตรที่หน้าศาลาจนกระทั่งท่านไม่สามารถที่จะบินทบาทได้แล้วท่านถึงต้องยุติต้องหมดไป ท, ทั้งทงที่ท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบินทบาทเลยท่านมีศรัทธาญาติโยมพร้อมที่จะนำอาหารขาวหวาน มาถวายให้ถึงที่กุติได้ตลอดเวลาแต่ท่านคำหนึ่งถึงพระที่สุสมนเนที่มาพึ่งพาอาศัยมาศึกษามาปฏิบัติกับท่านจะไม่เห็นตัวอย่างที่ดีพอไม่เห็นตัวอย่างที่ดีก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่ท่านเห็นกันในวันนี้เช่นไม่เินทบา แล้วก็เอาบาตมาตั้งที่ศาลาแล้วก็มารอรับอาหารขาวาสต่างๆพอรับเสร็จแล้วก็ออกเดินกลับไปกติไม่นั่งทำกิจกรรมตามที่พระภิกษุและคารวาสญาบหลวงต้องร่วมทำกันก็คือการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้พระอทรงตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ก็จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อฟังบ่อยขึ้นฟังซ้ำก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้กำจัดความลังเลสงสัยได้ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและทำให้จิตใจผ่องใส มีความสุขนี่คือลดแห่งธรรมที่จะได้รับจากการฟังเทศนฟังธรรมถ้าไปนอนที่กุฏิก็จะไม่ได้รับรดแห่งธรรมก็จะได้ลดทางร่างกายคือร่างกายก็นอนสบายแต่ความสบายทางร่างกายนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ทำใจได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ต้องลดแห่งธรรมเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ทําให้ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้เพราะการฟังธรรมนี้ก็คือการศึกษาแนวทางเพื่อที่จะได้เดินไปได้อย่างถูกต้องไม่ใช่พอไปถึงทางแยกแล้วแทนที่จะเดินตรงไปก็เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเช่นแทนที่จะบินทบาทก็ไม่บินทบาท แทนที่จะปฏิบัติฉันฉันฉันในศาลาฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็ช่วยการทําความสะอาดศาลาก็ไม่ทํากันต่างคนต่างไปกันอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เมื่อไม่ได้เดินตามทางที่ทรงสอนไว้จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรแล้วถ้าไม่ได้ มุ่มั่นไปที่ทางจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงสอนให้ไปกันมาบวชทำไมบวชเพื่ออะไรการบวชในของพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอยู่แล้วว่าให้บวชเพื่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้บวชเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพาน การที่จะบรรลุผลเหล่านี้ได้ก็ต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างเข่งครับที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นโจนที่มาพ้นภาษาสนานั่นเองนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงตัสว่าผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยก็เป็นเหมือนโจรที่มาลักทรัพย์นั่นเองไม่ต่างกันเลยจึยงขอให้พวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาดญาติโยมที่สักวันหนึ่งในอนาคตอาจจะมาเป็นนักบวชได้สำเนียกได้ครงระวังได้พิจารณาไว ว่าเวลาที่เรามาบวชนี้เรามาบวชเพื่ออะไรกันแนะ่เรามาบวชเพื่ออาศัยพระพุทธศาสนาอยู่กรินไปวันวันหนึ่งหรือเรามาบวชเพื่อที่จะพบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งบวชการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจิงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระีรัตนตรัยและบุญคุสมที่ท่านได้มาบังเกิดกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่วความสุขและความเจริญแค้วคลาปลอดภัยจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ